ยันดารสสมณเณรทั้งหลายยันดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้เป็นเวลาอยู่ที่อเมริการครึ่งสเสร็จก็มาคุยกันเรื่องวิธีปฏิบัติเพรกรรมฐานแรื่การพูดตอนนี้ไม่มีเจตนาจะให้ทุกท่านที่มีความง่วงแล้วต้องทนง่วงต่อไป เพราะว่าเจตนามอีอว่าถ้าขณะใดาที่กําลังนอนอยู่ฟังเสียงธรรมคําำคำสั่งสอนอันเป็นคําสั่งสอนขององค์สันเด็จพระบรมครูฟ <c oughs> ังไปฟังไปจิตจิบจับใจจิตใจจับอยู่เสียงธรรมแล้วก็เคลิ้มหลับไปเขาถือว่าจะทรงชาในธรรมนั้นแต่เวลาตื่น <c oughs> ถือว่าเป็นผลกํามไร ธรรมะที่จะพูดในระยะนี้ก็จะขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพิสุสมัมเณีทั้งหลายว่าการพุทธ่พ้เลเจ้าทรงสอนว่าในอุปุมบริการสตรส่วนใดที่องค์สำเร็จไปจอมไตทรงตรับ ว, ว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นขอทุกท่านโปรดรับทราบ พ, พยายามละให้บุก ข, ขาด การกินในฐานะที่เรายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะละทันทีทันใดนั้นไม่ได้ค่อยๆละไปส่วนใดที่ละได้ง่ายพยายามละก่อนและพยายามละให้หมดไปเพราะว่าเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระจอมไตรจะได้ทําใจให้บริสุทธิ์ส่วนใดที่ ส, สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้ากล่าวว่าส่วนนี้เป็นสกิดความดีที่พระองค์ทรงสอน ต้องรักษาสเก็ตไว้ให้มัน่นคงส่วนใดที่เป็นกพี้ก็ดีขอโทษส่วนใดที่เป็นเปลือกก็ดีตป็นกพี้ก็ดีเป็นจังก็กดีต้องรักษาให้ทรงตัวสําหรับส่วนที่เป็นสเจ็ตมีมากหลายสิบข้อด้วยกันผมก็ไม่สามารถจะนํามากล่าวที่นี้ได้เพราะเวลาจํากัด <c oughs> ขอท่านทั้งหลายจงไปดูในอุทุมพริกาสูตร ฤ เ, เทศเจดีบายในธุเบริกาโสตั้นมีครบถ้วนอยู่แล้วด้านเปลือกมีความสําคัญมากแต่ว่าถ้าสเก็ดไม่ทรงตัวรักษาสเก็ดไม่ได้เปลือกแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นเดียวกันต้องรักษาสเก็ดให้ได้สําหรับเปลืกนั้นสมเด็จพระพุทกวันทรงตรัสทั้งยามสี่ทัสส้งสงวรสี่ข้ามมาสงวรระวังและสมรวม แต่นั่นท่านทรงจัดกับนิโครทปีพาชกที่เป็นหัวหน้าคณะสอนลูกศิษย์เป็นเจน้าสานักสาหรับเราเราพุทธบริรสายก็ต้องใช้ศีลเรวัตอย่างน้อยที่สุดมีศีลห้าบวกกรรมบทสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่ประพฤติผิดีกรรมสี่ไม่ดิ่เสียมีไรห้าไม่พูดปดหก ไม่พูดคําหยาบใช้วาจาไพเราะแล้วก็เก็บให้วาจาที่เป็นประโยชน์คือไม่ ท, ทําให้เขาแตกราวกันไม่ในทางชาว บ, บ้านไม่เสียดสีชาว บ, บ้านไม่เสียดสีคนอืน่นแล้วก็แปดใช้อ่าอาจจะเป็นเก้านะใช้วาจาจเฉพาะเป็นวาาิญาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ด้านจิตใจเราจะไม่เพ่งเล็งโลก นั่นหมายความเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่น่าอยู่เท่าว่าโลกเราพมาโลกเป็นสุขชั่วคราวก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือนิถ ا านแล้วก็ลมใจขเขานั้นไม่ชุประุ้สลายบุคคลอื่นไม่หาทางแกางแกล้งไม่หาทางทําร้ายเขาทําใจให้แช่มชื่นมีความเมตตาปราณีเข้ามาแทน แล้วก็ทำความเห็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนการทำความเห็นให้ถูกก็หมายความวันหนึ่งเราจะละสะเก็ตออกจากใจสเกิจข้างความเร็วรักษาสก็ตข้นงความดีเข้าไว้โดยการที่สองจะทรงเปลือกข้างความดีให้ทรงตัวอยู่สำหรับได้กับพี่ได้แก่ปุพุพินิวาสานุติยานจำเป็นต้องใช้เป็นปกติ แล้วแก่งก็ได้แต่จุตูปูปปาตุยานโดยทียย่ภูยานเข้มข้ น, นใช้ให้เป็นปกติจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมากอารมณ์อย่างนี้ทุกคนต้องทรงให้ได้ถ้าทรงมันได้สะหมายความเราไม่เข้าถึงความดีเพราะว่าความดีส่วนนี้จะเป็นความดีที่แก่งก็จริงแหละแต่ทือว่ายังเป็นความดีขั้นโลกีวิสยัย ยังไม่ใช่โลกตระถ้าพลาดล้วก็สามารถจะลงนรกได้เพะนั้นพวกเราทั้งหลายจงพาการปฏิบัติตนเพื่อห น, นีนรกการปฏิบัติตนเพื่อห น, นีนรกก็คือทำตนให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญอย่าเมาในความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้วความดีจะเข้ามาถึงเรา เพียงแต่เพียงว่าพระอริยเจ้าท่านทำอย่างไงเราจะทําอย่างนั้นอันดับแรกให้เห็นความทุกข์ความเกิดเสก่อนการเกิดมานี่ไม่มีอะไรเป็นสุขสมบัติที่เราจะรับในกาเวลาเกิดแล้วก็คือหนึ่งความทุกข์ใน ก, การนั่นก็หนึ่งความแก่ความแก่คลืบคลานเข้ามาหาเราทุกวันทุกเวลาทุกวินาที แต่เข้ามาหาเราไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความทุกข์แล้วก็บริการที่สองความป่วยไข้ามาสบายนับแต่วันแรกของความเกิดวันเกิดเราก็เราก็พบกับความป่วยไข้ามาสบายตลอดเวลาคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงอาการใดที่เสียแทงเราอาการนั้นเป็นโรคที่เป็นก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ความป่วยไข้มาสมายเกิดขึ้นมันทุกข์มากไม่ทุกแต่เราคนเดียวทุกไปถึงคนที่สืบเนื่องกับเราที่มีความสัมพันธ์กับเราที่อยู่ร่วมกับเราและก็ทําให้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ต้องสลายตัวไปเพราะต้องรักษาโรคมันก็เป็นอาการของความทุกข์ การแสวงหาทรัพย์สินไม่ใช่ได้มาจากความสุขมาจากความทุกข์ต้องเหนื่อยยากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นอาระเปรย์มของความทุกข์พบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็เป็นอาการของความทุกข์เมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็เป็นอาการของความทุกข์เรื่องความเปนโลกนี้ที่เราเกิดมาเราไม่พบความสุขจริง แต่เมื่อความทุกอย่างนี้เราควรจะทำยังไงก็ตั้งใจวางเฉยหน้าอารมณ์คิดว่าไม่เกิดแล้วก็เกิดกันไป <c oughs> ถ้าหากว่าร่างกายตายครั้งนี้เราก็จะไม่เกิดมาหาความทุกข์อีกวิธีที่จะไม่เกิดมาหาความทุกข์ก็ต้องอาศัยบา ร, รมีสิบระการให้มีความเข้มข้ น, นบา ร, รมีสิบรายการนั้นก็คือหนึ่งทานการให โอกาสที่เราจะให้มีหรือไม่มีไม่สำคัญตั้งใจให้ไว้เสมอกำลังใจอย่างนี้จะเป็นกำลังใจตัดโลภความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงนิพพานค่อยๆทำไปจนกว่าจะมีกำลังใจเข้มแข็งสองศีลนอบรรมีศีลนบรรมีนี่ต้องประกอบ ด, ด้วยเมตตาแต่ป <c oughs> ระกอบ ด, ด้วยเมตตาคุณนา่าจะสันโดษ เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขในรมเยือกเย็นสามเน่ยธมะบ ร, รมีเน่ยธรรมะบ ร, รมีที่เบื้องต้นต้องพยายามระงับมีวนห้าอย่าให้กำเริบแล้วก็ต้องพยายามทำลายสัญญสิบให้ผ่านคนไปจากใจแล้วก็สี่ปัญญาบ ร, รมีคิดไว้ว่าอะไรคนละอะไรคนตัดวิธีใดละโดยอะไรตับอะไรต้องพยายามทำใช้ปัญญ า, ยาเป็นเครื่องพิจนนารณา ห้าวิทยะบา ร, รมีการยึดถึงข้ากิเลสเป็นของสาคัญมากที่มันเกาะกายเกาะใจเรามาหลายแสนชาตินับชาติไม่ทนมันก็ต้องมีรมขวางแล้วก็ต้องหํามหันต่อสู้ด้วยกําลังของความเพียรทําลายให้สิ้นไปเราจะไม่พอถอยแล้วก็หกคันติบา ร, รมีอันนี้ต้องมีความอดทนเพราะจิตของเรานี่ยมันเกินกลมเพด้วยกิเลส มันที่ต้องต่อต้านในเมื่อเราทำลายมันต้องอดทนอดกลั้นสู้จะลำบากสนลำบากขนาดไหนก็พร้อมยอมแม้จ่ทิ้งเจสลายตัวไปแล้วก็ยอมต้องทำกำลังใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่มรุ๊อภิเสกสัมมาสัพพะิยานวันนั้นสมเด็จพระพุทมารทรงตัดสินใจ ว่าเราจะนั่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เรีรู้อภิเศษสมาสัโพธยญาณเพียงใดเลือดบนนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้จะตายก็ช่างต้องตัดสินใจสู้กับกิเลสอย่างนี้นามาสัจาจรมีเราตั้งใจบวชก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อหวังพนิพัน์ ทางใดที่ทําไปเพื่อปณิพันธ์ทางนั้นจะทรงกําลังใจไว้ไม่ยอมเ ป, เปเลี่ยนแปลงอดิฐานนะเลมีการทรงอารมณ์ว่าความดีนี้จะทําเพื่อการไม่เกิดนั่นหมายที่ว่าการไปนิพานเราจะตั้งกําลังใจไม่หวั่นวันต่ออุปสรรค ใ, ใดใดที่เข้ามาขัดขวางจะทรงกําลังไว้ไม่ท้อถอย ก้าเมตตาบาร ม, มีบาร ม, มีอนี้ทําจิตใจให้เยือกเย็นเป็นที่รักเขาบุคคลทั้งหลายยิ้มแย้มแจ่มใสไว้เป็นปกติหน้าของเรามีความสําคัญมากคือเราจะตัดความโกรธแต่ก็จะส่งความรักเราสร้างความรักให้ส่งขึ้นอารมณ์ที่จะมีสะเสน่ห์ด้วยกำลังขวาเมตตาก็คือลมยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติถึงแม้ว่าบางขณะเราจะไม่ชอบใจ ก็ อ, อดก้านกำลังใจว่าเราจะยิ้มได้ในขณะที่เราไม่พอใจไม่ช้ากาลังใจที่เราร้อนจะเยือกเย็นลงเป็นการทําลายโทสะไปใน ต, ตัวเสร็จแล้วก็สุดอุเบกขาบรมีอาการใดที่เป็นที่ไม่ชอบใจของเราเราจะไม่แสดงออกนอกหน้าถ้ายังตัดไม่ได้จะคงกําลังใจไว้ ถ้าเอุเบกขาบารมีนี่ใช่คนใช่เป็นสังขารหเปีขาหยาดด้วยคือว่าในขณะที่ร่างกายของเราพุทโธลงไปก็ดีการพบกับทั้งกับโรคภัยไข้เจ็บก็ดีพบกับความแก่ก็ดีจะพบกับความตายก็ดีท่ำกําลังใจวางเฉยถือว่าเป็นหน้าที่ของมันร่างกายมันเกิดแล้วก็ต้องแปรทั้งนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบาย มีการกระทบกับท่านกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะต้องพัดพลาดจากของรักขอมใจเจ้าเนื้อก็มีความตายเป็นนที่สุดในเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะไปยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันแต่สําหรับกําลังใจเรานั่งคิดไปเสมอว่าถ้าเองพังมาไหลชั้นไปในผ่ายเหมือ น, นั้นเท่านี้กําลังใจของเราก็จะมีความสุข ดัะนั้นว่าบารมีทั้งสิบราการนี้เขามันดาท่านพุทธรบริษัททุกท่านทรงอารมณ์ไวให้เป็นปกติต่อไปก็มาปรารพเรื่องอารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าบารมีนี้ยังอ่อนอยู่ก็สามารถจะเป็นพร ะ, พระอริยเจ้าได้สองขัน้นคือว่าโสดาบันกับพระสิกธาคามี ถ้าบา ร, รมีนี้มีความเข้มข้นไปกลางก็สามารถจะเป็นทรนาคามีได้ถ้าบา ร, รมีนี้เข้มข้นถึงที่สุด่ามีหมายที่กำลังใจมีกำลังใจเต็มที่สุดก็สามารถจะเป็นพระอารหันต์ได้แต่้ไปก็มาดูอารมณ์ของบโสดาบันถ้ารามีความการปฏิบัติเบื้องต้นดีพอสมควรตั้งแต่สะเก็ด เลือกกระพี้แก่นทรงตัวได้แล้วต้องใช้กําลังปกเพนิวาสารอุตยานคือดลึกชาติให้มากที่สุดเป็นการทบทวนความทุกข์และความสุขในชาติก่อนเทื่อ เ, เกิดมาแล้วเรยเห็นว่าทุกชาติที่เราเกิดมาแล้วไม่เคยพบกับความสุขเลยในปูปปาร์ิยานก็ดูคนและสัตว์ทั้งหลายว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนตายแล้วไปไหน จะพบทั้งความสุขและความทุกข์มันจะได้เป็นครูของเรา <c oughs> ใช้กำลังสำเริจการที่องค์สำเร็จตารสัมมาทพุทิเจ้าส่งสัรเสริญให้มากเพื่อเป็นการช่วยในการตักกิเลสจะตัดได้หรือไม่ได้ก็ช่างทำไปผิด ก, ก็สบายขอตัวนี้ว่าจะหลงคำว่าเป็นพระ อ, อริยเจา้าแต่นี้ก็มันดูอารมณ์ของพัะโสดาบัน อารมของพระโสดาบันพระโสดาบันจริงๆที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านทรงอารมณ์อย่างนี้ขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มั่นคงแล้วก็ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่แปรามาดในะพระไตสนาคมแม่จะพูดเล่น สามมีสินห้าบริสุทธ์สำหรับฆราวาสพระเ น, นตรต้องรัสษาสินงของตนให้บริสุทธิ์และก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวจุดเดียวคือพนิพานถ้าทรงอารมณ์ขาไม่โซดาบันได้บาปอโกศลทั้งหมดที่ทำมาแล้วในการก่อนจะไม่สามารถทำให้เราลงอาบายภูมิได้เลย เป็นมันว่าเราอย่าขาดจากบาปอกุศลอย่าขาดจากอบายภูมิอบายภูมิทั้งหมดการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตประสุกายเป็นสติฉา น, น, น, น, นจะไม่มีสำหรับเราดัานั้นขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระธรรมฐาน <c oughs> เมื่ออยู่ที่นี่ก็ดีไปที่บ้านก็ดี ให้พยายามรักษากำลังความดีที่ทำได้ได้คือมโนมยิธิและก็ศึกษาในวุธมปริกาสูตรมีคัดเศษอยู่ติดคัดเศษเพราะมูลตัวทั้งถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าฟังไว้เรื่อยๆไม่ยำบ้างก็ฟังไว้เจสิิตใจทีละน้อยแตน้อยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นระโสดาบันไม่ได้อย่างน้อยที่สดุด แล้วก็ดึงเอาสมบัติเขามาโสดาบันมาไว้กับเราดูไม่ดีเราก็สามารถจะพุทธบัญญัติมได้อย่างเด็ดขาดสาหรับพระโสดาบันในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของไม่ยากจริงๆขอบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้ยหญิงสังเกตดูคระวาสมัยพระพุทธเจ้าอย่างท่านมีสาขามหาบาชิกา ท่านเป็นใบนโซดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีท่านก็มีสภาพเป็นปกติอายุสิบหกปีทั้งก็แต่งงานยังไม่ถึงกับตัสกายญิติที่ได้ขาดเป็นเพียงว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบโซดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยแล้มีสมาธิเ ล, เล็กเล็กน้อยแต่ว่ามีศีลบริสุทธ แล้วสาหรับบุคคลที่มีความมั่นคงในพระไตรสนาคมเป็นประโสดาบันก็ตัวอย่างท่านสุภาผู้กุฏิท่านสุปาผูทกุฏิที่ท่านไม่สงสัยในคนพระไตรสนาคมจริงๆเคารพจริงๆมีความมั่นคงมากตอนที่ท่านจะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระปู่มีพระพระากจะรายงานความเป็นประโสดาบันของท่านพระอินมาทดลองบอกว่าสุปาผู้ท เธอเป็นขอทานเธอเป็นคนจนแล้วก็เป็นโรกเรือนถ้าเธอพูดอย่างนี้แม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือว่าคิดว่าเธอต้ง พ, พ, พูกเฉยเฉยไม่ตั้งใจก็ได้ขึ้นหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ ถ้าเพอเธอพูดเพียงสามคำแม่จะไม่ตั้งใจเราจะบันดาลให้เธอหายจากโรเรือนจะบันดาลร่างกายให้สวยสดงามสมบูรณ์แบบและได้เป็นมหาเศรษฐีท่านสุภาพุทธชี น, น้าพระอินทร์พระอินทร์ถอยจงถอยไปหาว่าเาจนแล้วอาจนแต่ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกีวิสัยแต่อริยทรัพย์ของเราสมบูรณ์แบบ นี่ความแม่นคงในพระไตยสนาคมต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีกําลังใจแม่นคงจริงๆขึ้นชื่อว่าพระไตยสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะไม่ประมาตรแต่ก็จงย่าเลี้ยงนักบทเลวที่ไม่เคารพองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาา่าเจ้าให้ดูตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นฆราวาสในเมืองโกสัมพี เมื่อท่านนั้นหลายเรานั่นดืดด้านเราค่ายคำก็องสมุดพระหินศรีพระก็ไดเจ้าทรงหลีกไปอันดาพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นครวัตไม่ยอมใส่บาตรให้พระพู้นั่นกินทั้งหมดพระพู้นั้นก็อดจะได้กินเฉพาะคนที่เป็นปุถุชนเท่านั้นก็ลมความว่าพระอริยเจา้าแม้จะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็จริแลแต่ทว่าจะไม่สนับสนุนคนเลวหรือพระเลว พระเลวหรือว่าคนเลวสําหรับคนเลวก็ช่างเขาเราไม่ได้เลี้ยงพระพระดีพระเลวมีคารวะเลี้ยง ค, เยงคนเวนเ้พเพนาาออรพระเลวจะพระองค์ไหนคัดค้านคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพรทมศาสดาพระเจ้าบอกมีอย่างนี้เขาบอกไม่มีจะต้องทําได้อย่างนั้นเขาบอกทําไม่ได้สิ่งนี้เขาบอกว่าพระธเาจา้าตัดตัไว้ที่พระรหันยืนยันรับรองอย่างพระตวีดก เขาบอกว่าพระไตรปิอกนี่เขียนขึ้นมาเองภายหลังท่านนักบวชประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่ควรจะให้กินอะไรเสียเลยแล้วก็มุ่งมา่นแตถนาทําลายความดีพระองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าให้สลายไปจากโลกนี่ก็เรื่องความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็ตึงกันว่าอย่างน้อยเราจะย่ําเท้าตามพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีจริยาอย่างไงเราจะทำอย่างนั้นเราจะได้เป็นปโสดาบันหรือไม่เป็นไม่สำคัญแล้วก็จงอย่าเมามันเข้าใจว่าเราเป็นปโสดาบันจงคิดไว้เสมอว่าถ้ายังไม่ตายหรือว่าตายแล้วยังไม่ถึงวันิพานเพียงใดคำว่าพอดีพอทีถ้าว่าดีแล้วสำหรับเราต้องไม่มีกับเรา เตือนใจตามขั้นคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาทัพุทธเจ้าว่าอัตนาโจทยาตาหนังนึ่นแปลว่าจงกล่าวโทษโจยความผิดตนเอง่าเสมอมองดูว่าเราอารมณ์มันชั่วตรงไหนบ้างยามวิตรอยความชั่วที่ตัวมีอยู่ให้สลายไปนี่รบมรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะทำอย่างนี้ ถ้ากำลังใจของเราดีขึ้นถจะก้าวเข้าไปสู่พระสกิทาคามีมันจะหมายความว่าความโลภลดตัวลงการดิน้นรนพื่อความร่ำรวยลดตัวลงมีจาคาระพติกรรมฐานมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจาคานะพติกรรมฐานมาจะจิตคิดคอยากจะให้ทานมากกว่าการไปเกียรติกายโลกในทรัพย์สินอย่างนี้แปรลมของพระสกิทาคามี แล้วก็บรรเทาความโกรธความโกรธกพระสกิทธธาคา ม, มียังมีอยู่แต่โกรธเบาโกร ธ, กร ธ, กรธช้าหายเร็วให้ยผ่านเร็วถําดับได้ความหลงนั้นพระสกิทาคา ม, มีตัดลึความหลงลงไปมากคิดมีความเข้าใจในคําสั่งสอนข อ, องสมเด็จพระพุทธมีพระภาคว่าชีวิตของเรามีความไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นความทุกข์มันตายเป็นลิสุด และตัร่างกายประเภทนี้ชีวิตประเภทนี้จะไม่มีสําหรับเราคิดแค่อย่างเดียวว่าตายเมื่อไร่ขอปนานิพันเหมือนนั้นอร บ, บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดไปแม้ก็ยันนานเกินไปสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังเวลาเดึกๆวันนี้ก็ข อ, อยุติประเพียงธรรมนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ บ, บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี